ก็ความในสุตในคัมภีร์มหานิเทศเนี่ยนะเล่มห5สิบห้าสุทธะสุตตนิเทศที่สี่เนี่ยนะก็คือผ่านไปแล้วสามสูตรสูตรที่หนึ่งก็คือการมสุตตนิเทศว่าด้วยเรื่องกามนะขยายทั้งกามเนี่ยโดยอดาธะแห่งกามอาทีนวะแห่งกามและนิสรณะของกามเนี่ยนะ สูตรที่สองก็กล่าวถึงเรื่องของกายกายมีชื่อว่าคูหาเรียกว่าคูหัตทกะสุตตะนิเทศจริงๆก็คือกายนั่นแหละผู้ติดข้องในร่างกายติดข้องในร่างกายก็เจอกิเลสเนี่เจริญงอกงามใหญ่โตห่างจากวิเวกทั้งหลายนี่นะก็คือพูดถึงความเป็นไปของผู้ที่ยึดถือในร่างกายกับผู้ที่ตัดฉันทะราคะตัดเยื่อใหญ่ในร่างกายได้สูตรที่สองก็คือเรื่องกาย ส่วนที่สามก็คือเรื่องทิฐิผู้ที่ยยึดถือในทิฐิในลัทธิต่างๆเนี่ยนะก็หมกมุ่นผัวพันผูกพันติดข้องในทิฏฐิแต่สําหรับของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ถอนออกจากทิฐินี้มาขึ้นสุทธธรรรัธะสุตตานิเทศเรื่องด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยนะก็คือพวกที่ถือความบริสุทธิ์นอกศาสนากับความบริสุทธิ์ในศาสนานี้ นิทีจำง่ายๆสี่สูตรที่ผ่านมาก็คือหนึ่งกลามสองกายสามทิฐิสทิิความบริสุทธิ์บาลีว่าสุทธะทกสุตตนิเทศพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราย่อมเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างเป็นอย่างยิ่งความหมดจดดีย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็นบุคคลเมื่อรู้เฉพาะอย่างรู้เฉพาะอย่างนี้ รู้แล้วว่าความเห็นเนี่ยเป็นเยี่ยมดังนี้ย่อมเชื่อว่าย่อมเชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นญาณบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นความหมดจดคือในเรื่องลัทธิเนี่ยเขามีพรามเนี่ยมาโฆษณาโฆษณานะสมัยพุทธกาลคือจันทาพระพรามเนี่ยเขามีรัศมีออกที่ท้องมีแสงออกจากท้องเนี่ยนะ ทนี้ไอ้พราหมทั้งหลายเขาก็บอกว่าเออเนี่ยอาชีพทำมาหากินของเราได้แหละทําไงเขาคือเที่ยวว่าถ้าใครได้เห็นทองของจัน ท, นทาพระพราหมณ์เนี่ยคนนั้นจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นะนะถือว่าการเห็นเนี่ยทําให้บริสุทธิ์ได้นะว่างั้นมันก็เลยถือลัทธิวา่าผู้ที่ได้เห็นเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงความไม่มีโรคว่างั้นจะพ้นโรคพ้นภัยก็เพราะได้เห็นนี่แหละ มันถือข้อปฏิบัติด้วยจกักขูวิญญาณเนี่ยนะถือข้อปฏิบัติว่าต้องดูต้องเห็นถ้าได้เห็นได้ดูแล้วนี่แหละจะทําให้บริสุทธิ์นั้นการเห็นตามองเห็นเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดในข้อปฏิบัตินะข้อปฏิบัติเขาก็คือจกักขูวิญญาณซึ่งต่างจากพระพุทธศาสนาของเราใช่ไหมพุทธศาสนาข้อปฏิบัติคืออรยิยมรรคมีองค์8แต่ของลัทธิเดียรถีหลายๆลัทธิด้วยกันเนี่ยบางลัทธิก็ถือความบริสุทธิ์ด้วยข้อปฏิบัติคือจกักขูวิญญาณ นะต้องไปดูดูอย่างเดียวดูให้มากดูบ่อยๆเขาว่านะถือจักรคู่วิญญาณเป็นข้อปฏิบัติบางพวกก็ถือโสตะวิญญาณเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยนะจะต้องฟังนะนะฟังอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งของเขานะบางพวกก็ถือคานาวิญญาณเป็นข้อปฏิบัติรู้กลิ่นนั้นๆอ่ะบางพวกก็ถือชิวหาวิญญาณถือการกินเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติบางพวกก็ถือกายะวิญญาณเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยนะก็ถือปัญจวิญญาณนั่นแหละ นะคไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติซึ่งเขาถือว่าถ้าผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งนะนี่มาดูคำขยายที่พระสาริบุตรท่านนิเทศอธิบายว่าคำว่าเราย่อมเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งความว่าเราย่อมเห็นนรชนผู้หมดจดคือเราย่อมเห็น ย่อมแลดูเพ่งดูตรวจ ด, ดูพิจารณาดูเห็นนรชนผู้หมดจดคำว่าไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งคือถึงความเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งไม่มีโรคก็คือไม่มีพยาธินะี่ยนะถึงธรรมะอันเกษมถึงธรรมะอันเป็นที่ต้านทานคือคุ้มครองถึงธรรมะเป็นที่เร้นเนี่ย น, นะก็คือแอบแฝงถึงธรรมะเป็นสารณะถึงธรรมะเป็นที่ไปข้างหน้าถึงธรรมะไม่มีภัยถึงธรรมะไม่เคลื่อน ถึงธรรมะไม่ตายถึงนิพพานเพราะฉะนั้นเราย่อมเห็นผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งนะเขาถือว่าโอ้ผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยนะผู้ที่ถึงความบริสุทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมผู้ใดเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้นั้นก็คือผู้สุดยอดสุดยอดยังไงก็คือไม่มีโรคถึงที่ต้านทานถึงธรรมะอันเกษมที่เร้นสาระถึงนิพพานเหมือนนน่ะมันผู้ที่บริสุทธิ์อย่างจริงๆก็คือผู้ที่ ถึงพระนิพานเห็นพระนิพานอันจึงเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งทีนี้ไอ้ความบริสุทธิ์ความหมดจดเหล่านี้เนี่ยนะทางลัทธิอื่นก็ถือว่าความหมดจดอย่างนี้ย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็นเห็นไหมถ้าเรียกว่าถ้าพูดแบบไทยๆก็บอกว่าบรรลุเป็นผ้าอรหันได้เพราะการดู น, นะดูแล้วจะเป็นผ้าอรหันเองดูแล้วจะบริสุทธิ์เองเนี่ยนะเคยมีไหมข้อปฏิบัติแบบนี้ได้ยินไหม แต่ว่าของแขกเนี่ยมีดูดูแล้วก็บริสุทธิ์เลยนะคือเขาถือว่าความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นวิเศษความพ้นรอบย่อมมีแก่นรชนคือนรชนย่อมหมดจดย่อมหมดวิเศษหมดจดรอบย่อมพ้นพ้นวิเศษพ้นรอบเพราะเห็นรูปด้วยจักขูวิญญาณมันถ้าได้เห็นสมมุติยกตัวอย่างถ้าเห็นท้องของจันทาพระพรามแล้วจะบริสุทธิ์ นะจะถึงนิพพานเนอ่ยนะเป็นการล้างกิเลส ช, ชั้นเยี่ยมแต่ว่าต้องเสียตังนะถ้าจะดูแบบนั้นนะนั่นนะเอาไหมล่ะนะจะไปดูของที่มันเสียตังอะนะดูแลจะถึงความบริสุทธินะ์อ่ะแต่ก็มันก็มีการค่าอยู่เบื้องหลังอะนะมีแฝงด้วยการค่านะนะั่นแหละเพราะไอ้ข้อปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์จริงๆจากขูวิญญาณทําให้บริสุทธิ์ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็หลอกลวงกันนะว่าเนี่ยถ้าตามองเห็นนะดูอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นเหตุให้บรรุเป็นพระอารหรันต บัน บ, บุคคลนี้เมื่อรู้เฉพาะอย่างนี้แล้วรู้แล้วว่าความเห็นเนี่ยเป็นเยี่ยม น, นะคือเขาถือว่าบุคคลเนี่ยเมื่อรู้เฉพาะคือรู้ทั่วรู้วิเศษ ร, รู้วิเศษเฉพาะแทงตลอดอยู่อย่างนี้รู้แล้วคือทราบแล้วสอบสวนแล้วพิจารณาแล้วตรวจตราแล้วทำให้แจ้งแล้วว่าความเห็นเนี่ยยอดเยี่ยมเลิศประเสริฐวิเศษเป็นประธานสูงสุดเป็นอย่างยิ่งเหมงนนเขายอมเชื่อ ว, ว่าความเห็นนั้นอ่ะเป็นยาน บุคคลนั้น sí ชื yes ่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นความหมดจดการเห็นนี่แหละคือยานชั้นเยี่ยมนะจากครูวิญญาณเนี่ยเป็นยานชั้นยอดยานชั้นเยี่ยม嘛งั้นมันผู้ที่พิจารณาเห็นอย่างเงี้ยเชว่าเป็นผู้มีความหมดจดอธิบายว่าบุคคลใดย่อมเห็นนรชนผู้หมดจดบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นความหมดจดคาว่าย่อมเชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นยานมีความว่าบุคคลนั้นย่อมเชื่อว่า ความเห็นรูปด้วยจกักขูวิญญาณว่าเป็นญาณเป็นทางเป็นมักเป็นคลองเป็นเครื่องนําออกเพราัน้าใครอยากพ้นจากวัตฏะนะมาดูท้องของจันทาพระพรามะนะหรือว่าทัศนีก็มาดูลูกแก้วนี้นะถ้าใครได้ดูลูกแก้วอันนี้จับบริสุทธิ์สุดยอดแล้วว่างั้นจะบรรลุแล้วถ้าได้เห็นไอ้แก้วอันนี้เนี่ยก็ถือ อ, อย่างใดอย่างหนึ่งมาเที่ยวโฆษณานะเที่ยวโฆษณาว่าจะทําให้เขาบริสุทธิ์ได้ เพราะฉะนั้นคาถาที่ว่าเราย่อมเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งความหมดจดดีย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็นบุคคลเมื่อรู้เฉพาะอย่างนี้รู้แล้วว่าความเห็นเนี่ยเป็นเยี่ยมดังนี้ย่อมเชื่อว่าความเห็นนั้นน่ะเป็นยานคือเป็นมัชเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำออกจากวตัตตบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นความหมดจดข้อปฏิบัติเขาง่ายมาก ถ้าได้ดูอย่างนั้นแล้วจะบรรลุเนี่ยนะขอให้ไปดูเถอะถ้าได้ดูแล้วจะบรรลุเองจะดีเองเนี่ยนะนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานทางนั้นขอให้ได้ดูเถอะแต่ว่ามันเสียค่าบัตรหน่อยนะใช่ไหมแต่บริสุทธิ์มากมันก็ค่าดูมันก็แพงหน่อยนะเคยรับจ้างดูไหมล่ะเอาไปจ้างดูเนี่ยนะดูแล้วจะบริสุทธิ์ดูแล้วจะเป็นมงคลดูแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะมันก็หลอกลอกันอ่ะนะถือความบริสุทธิ์ทางตา หากว่าความหมดจดย่อมมีแกนรชนด้วยความเห็นนั้นหรือว่านรชนนั้นย่อมละทุกได้ด้วยญาณคือจกักขวิญญาณอย่างนั้นใช่อะ่ะนรชนนั้นเป็นผู้ยังมีอุปธิย่อมหมดจดได้ด้วยมรรคอื่นเพราะทิฏฐิบอกนรชนนั้นว่าเป็นผู้พูดอย่างนั้น น, นะก็เขาบอกว่าถ้าว่านะบริสุทธิ์ด้วยแค่ลืมตามองดูแล้วมันบริสุทธิ์เนี่ยนะหรือว่า แค่ได้เห็นเนี่ยนะมันจะพ้นจากทุกได้อะพราะฉั้นคนมีกิเลสก็บรรลุ ด, ด้วยข้อปฏิบัติอย่างอื่นสิเอาละกิเลสไปเก็บไว้ไหนเอาถ้าสักแต่ว่ามองดูเห็นเนี่ยนะแล้วมันบรรลุดได้อ่ะแล้วกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจเนี่ยไปเก็บไว้ไหนราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเนี่ยเต็มกระดองใจไปหมดเลยอะแปลว่าแย่ไปอารมณ์ไหนกิเลสก็เกิดหมดเไปดูแค่ดูเห็นเนี่ยตามมองเห็นหมดกิเลสได้เลยเนี่ย มันก็เกินไปเนี่ยนะที่จากนั้นอ่ะมันเชื่อด้วยทิฏฐิรอกเนี่ยนะคือเขาเชื่อเองอ่ะนะจริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นพระองค์ยังตรัสว่าหากว่าย่อมหมดความหมดจดย่อมมีแก่นรชนด้วยความเห็นหรือนรชนนั้นย่อมละทุกได้ด้วยจกักขูวิญญาณไซนรชนนั้นอ่ะยังมีอุปธิคือยังมีกิเลสก็ย่อมหมดจดด้วยมรรคอื่นนะมรรคอื่นก็คือจกักขูวิญญาณ น, นี่แหละเพราะฉะนั้นทิฏฐิเนี่ยบอกนรชน อย่างนั้นว่าเป็นผู้พูดอย่างนั้นอนะนะแต่ก็อย่าไปคิดอะไรมากอ่นนะมันเป็นความเห็นของเขาอ่ะเขาเข้าใจแบบนั้นมันเป็นความเข้าใจของเขาอ่ะเขาคิดว่านะเขาคิดว่าเออนี่นะถ้างแงนดูฟ้านะฝนเงินฝนทองมันจะตกลงมาตกจริงไหมล่ะเอานะ้าเชื่อว่าถ้านอนมากมากแล้วสุขภาพจะดีเองไงนะนอนวันละห้เออวันละยี่สิบชั่วโมงแล้วสุขภาพจะดีอย่างไงนะจริงไหม ไม่ใช่หรอกนะพวกลักษณะเนี้ยเดียวกันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแต่มันเชื่อขึ้นนะหากว่าความหมดจดย่อมมีแกนรชนด้วยความเห็นความว่าหากว่าความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพน้นความพ้นวิเศษความพนนม้นรอบย่อมมีแกนรชนคือนรอชนย่อมหมดจดหมดจดวิเศษหมดจดรอบย่อมพ้นพน้วิเศษพน้พนรอบด้วยความเห็นรูปด้วยจักขูวิญ ญ, ญาณเนี่ยนะ คถานี้ถ้ากล่าวตามหลักเนติปกรณ์นะเท่ากับพูดด้วยทวารอื่นด้วยบริสุทธิ์ด้วยโสตะวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยคานาวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยชิวหาวิญญาณบริสุทธ์ด whole, ้วยกายะวิญญาณต้องไปสัมผัสไปจับอะไรสักอย่างแล้วมันจะบริสุทธ์เนี่ยเป็นไปได้ไหมเช่นด้วยอาบน้าเป็นต้นเนี่ยอาบน้ําแล้วจะทําให้บริสุทธ์กินอาหารแล้วจะทําให้บริสุทธิ์ดมกลิ่นแล้วจะทําให้บริสุทธิ์เนี่ยฟังแบบนี้แล้วจะทําให้บริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะ ใช่ทวิปัญจะไม่ได้ทําให้บริสุทธิ์อะไรหรอกเนี่ยนะคว่าหรือว่านรชนนั้นย่อมละทุกขได้ด้วยยานนั้นไซคือนอรชนย่อมละชาติทุกชราทุกพญาที่ทุกมรณะทุกโศกโศกะทุกปริเทวทุกนะทุกกายทุกใจแล้วก็ความคับแค้นใจได้ด้วยจักขวิญญาณไซคือด้วยการเห็นรูปด้วยจักขวิญญาณเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะแต่เขาถืออะนะถือว่าเนี่ยมองเห็นแล้วจะทําให้บรรลุอะ ได้ยินเนี่ยจะทําให้บรรลุละ่ะรู้กลิ่นเนี่ยดมของบางอย่างนี่จะทำให้บรรลุรู้รสบางอย่างจะทําให้บรรลุรับกระทบบางอย่างแล้วจะทําให้บรรลุในพุทธศาสนาเองเนี่ยนะของนิกายไลลายนิกายบางนิกายมาเชื่อแบบนี้ด้วยเอาบางพวกเชื่อว่าทวานตาบางชัว่วว่าจะบรรลุด้วยทวานลิ้นอย่างเงี้ยนะถ้ากินอย่างนี้แล้วจะบรรลุเนี่ยนะบางพวกก็เชื่อว่ า, าจะบรรลุด้วยพฤติกรรมทางกายเนี่ยนะนะก็เป็นแบบนั้นนหะ นรชนนั้นยังมีอุปธิย่อมหมดจดด้วยมรรคอื่นก็พวกยังมีกิเลสเนี่ยนะก็เข้าใจว่าอข้อปฏิบัติน่ะมันอื่นจากมรรคมีองค์แปดนะไปถือมรรคอื่นมรรคไหนเนี่ยมรรคทางตาเนี่ยจักมรรคดูงั้นมรรคทางตานะมรรคดูมรรคเห็นมรรคฟังมรรครู้ลิ้นรู้รสพวกนี้ไม่ใช่อยู่แล้ว ภษาษาทีบุตรนิเทศวา น, นรชนย่อมหมดจดห ม, มดจดวิเศษห ม, มดจดรอบย่อมพ้นพ้นวิเศษพ้นรอบด้วยมรคอื่นคือมรคอันไม่หมดจดด้วยข้อปฏิบัติที่ผิดเนี่ยนะปฏิปทาผิดทางอันไม่นําออกคือไม่เป็นนิยานิกระทัมอ่ะอนะจะคู่วิญ ญ, ญาณมันจะนําออกจากวัฏฏะได้ยังไงอ่โสตาวิญญาณ น, นําออกจากวัฏตะได้ยังไงเนี่ยนะไปดมเฉยๆมันจะออกกวัฏตะได้ยังไง ไปกินเฉยๆเนี่ยมันจะออกจากวัตตะได้ยังไงโอ้กินนี่มันจะล้างบาปได้หรือหรืออาบน้ำล้างกายเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาอะไรมานุ่งมาห่มเฉยๆเนี่ยมันจะล้างบาปเลยทีไหนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทางนำออกจากวัตฏะหรอกเพราะว่านอบจากสติประธานสัมมะประธานอิทิบาทอินทรพละโพชงอาริยมรากอันประกอบไปด้วยองแปด ว่าข้อปฏิบัติที่จะทำให้บริสุทธิ์จริงๆคือโพธิปักฉิยธรรมสาสิบเจ็ประการมันไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยตาจากขวิญญาณโสตะคานะชิวหากายวิญญาณเนี่ยนะคำว่าผู้ผู้มีอุปธิอุปธิก็คือราคะโทสะโมหะตันหาทิฏกิเลสอุปาทานเพราะฉะนั้นนรชนผู้ยังมีอุปธิย่อมหมดจดด้วยมากอื่นถ้าแปลแบบภาษาชาวบ้านเราง่ายๆก็คือบอกว่า เนี่ยนะกิเลสเนี่ยเต็มไปหมดโลภก็เต็ตโมโกรธก็เต็มโมลพก็เต็มหลงก็เต็มถือตัวเย่อยิงตันหาจองหองปรารถนากิเลสความยึดเต็มไปหมดแล้วจะบริสุทธิ์ด้วยแค่ไปดูบริสุทธ์แค่ไปฟังบริสุทธ์แค่ดมกลิ่นบริสุทธิ์แค่กินเนี่ยนะกินอะไรก็ช่างมันเถอะเนี่ยนะกินถือว่ากินแล้วจะทําให้บรรลุทำไมนี้ก็กินผักแล้วจะบรรลุใช่ไหมกินผักแล้วจะเป็นอริยะไปเลยเนี่ยนะสะอาดเลยถ้ากินผักเนี่ยว่าไปนั้นเนี่ย หรือบางคนเนี่ยก็บอกถือด้วยการอาบการชะการล้างเนี่ยนะไอ้ล้างกันล้างทุลีล้างขีวผงล้างขี้ใครไม่ได้ล้างกิเลสอะไรหรอกกิเลสไม่ได้อยู่ที่ผิวใช่ไหมนะกิเลสไม่ได้อยู่ตรงตาตรงหูตรงจ ม, มูกตรงลิ้นอะ่ะแต่ว่ามันเป็นทวารแห่งกิเลสเพราะฉะนั้นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าฟังสักแต่ว่ารู้กลิ่นรู้รสรับกระทบเนี่ยไม่ได้ทําให้บรรลุได้หรอก